ในช่วงที่ผมเป็นอารมณ์รูปนามเข้าใจรูปนามที่ที่วั ส, สนามในที่เก็บรุเข้าใจรูปนามผมนั้นมาเข้าใจปรามั์ตรงนี้อมันเป็นอย่างนี้เองก็หลังจากนั้นมาผมเริ่มมั่นใจครับเริ่มมั่นใจแต่ก่อนหน้าตั้งแต่ปีสองสถึง2อง้านีผมไม่มั่นใจเลยนะผมทำสลับกันบังหลับตาบังเกินไว้บงทำมันั้นมันไม่เด่นขาด เพรางยอมรับอํานาจของสมถ t ที่มันติดติดใจของเรามานานเนี่ยมีอํานาจครอบงำเรามากผมจึงไม่ตําหนิใครที่จะไปทํำงั้นเพราะมันละละได้ยากมากถ้าหากว่าเราไม่รู้ถึงตัวญาณปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาชัดเจนเนี่ยเราจะละตัวสมถ t ไม่ได้มันจะตามติดตลอดผมวพอเทียนบอกว่ามันไม่ใช่เพื่อนกันนะสมถ t วิปัสนามันเป็นศัตรูกันโดยลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นศัตรูกันเพราะนั้นมันก็ตามล่ามันตลอดนะ เมื่อเป็นเช่นนี้การเจริญสติทีละนิดละนิดเนีน่ยครับมันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเลยเป็นเรื่องที่ยากมากคนไหนรับได้ผมถือว่ามีภาสนาในปีในปีสามเจ็ดในปีสามเจ็ดหรือสามแปดที่ผมมาร่วมงานที่ทีตั้งแต่ปีนั้นผมไม่ได้มาอีกเลยนะตั้งแต่ปีนั้นมาผมมามาแสดงธรรมที่นีอย่างเนี้ยผมได้พระไปองค์หนึ่งจนทุกวันนี้ท่านยังอยู่กับผมนะนสนะิบตัวพรรษาแล้วก็อ่า ก็เข้าใจเรื่องนี้ก็ฟังคือพระมาะเข้าบริวารได้เป็นหลายสิบท่านนะ น, นะแต่ว่ามีองค์หนึ่งตามไปก็ประกบดองค์นั้นนะครับเข้าใจเพราะว่าตลอดเวลาเราติดเรื่องอํานาจสมถะนะครับอย่าลืมสมถะนี่คือเราลักสงบเรารับความเราปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรเราจะเห็นอะไรเราจะมีอะไรเนี่ยปฏิบัติสมถะเพราะสมถะเป็นของตามทําให้อาเกิดความที่เราอยากจะได้มันเป็นสัญชาตญาณของเ ร, เราอยากจะได้ความสุข อยได้ความสงบจะได้ความคลั่งศักดิ์สิทธิ์ได้ความพิเศษคุณสมบัติพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่คุณสมบัติของวิปัสสนาคุณสมบัติของวิปัสสนาคือการขัดเกลวสิ่งที่มันมีอยู่ในใจของเราอย่างเดียวมีการควรควรให้มันขูนแล้วก็ตักออกควรให้มันขูนแล้วก็ตักออกนั่นเองวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเอาออกแต่สมถะต้องเอาเข้านี่มันตรงนั้นข้ามอย่างนี้ครับอะไรที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันต้องเอาออกให้หมดถ้ามันยังมีเหลืออยู่เนี่ยวิปัสสนามันเข้าไม่ได้ นั้นการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวลมพุทธเทียนจึงเป็นอุบายอันนี้ครับที่ทําให้เกิดตัวรู้สึกตัวเพราะตลอดเวลาเนี่ยเราเราเข้าไปอยู่ในความคิดเราเข้าไปอยู่การปรุงแต่งเมื่อเข้าไปอยู่ในความคิดความปรุงแต่งแล้วมันก็ไปอยู่ในวัฏฏะสงสารเยอะอํานาจของสังขารใช่ไหมครับพอมันเจริญสติข้างหนึ่งรู้สึกตัวข้างหนึ่งวิสังขารมาเริ่มว่าวิสังขารกระตังกิตาง เวลาสวดในอันนิขชาจะวิสังขารกระตังติดตังตันหานังขยมัชาขาใช่ไหมครับจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งความไม่ปรุงแต่งคือความไม่อยากเวลาขณะที่เราปรุงทํำด้วยความไม่อยากทำํำเฉยๆถ้าอยากนี่ก็ไม่ไม่เป็นนิปัสนาอีกแล้วนะครับไปเป็นสมะถะอีกแล้วถ้าอยากทํำด้วยความไม่อยากก็เป็นอย่างนี้มาก็ปรากฏทุก์ต้มั่นใจขึ้นเรื่อยๆพอประมาณปีสามสู ผมก็เลยเริ่มบอกประสบการณ์เรื่องนี้กับเพื่อนพระที่ไปปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นเริ่มจริงๆในการที่บอกเรื่องนี้กับพระผมเริ่มปี30นะครับนั้นถ้าการทางานจริงๆเรื่องวิปัสะนาผมเริ่มปี30มาถึงปัจจุบัน20ปีแค่ย้อนหลังเพราะนั้นไม่ใช่นะครับย้อนหลังมันมันมาคลุมรู้ ม, มูลุ้มขามา20ปีหลังตั้งแต่ปี10ถึงปี30ครับมันช้าขนาดไหนท่านลองดูนะช้ามาก ดังนั้นในความเป็นสมมุติคือเป็นพระเราเนี่ยเป็นผมอยากจะว่ามันเป็นอุปสรรคโดยสร้างไปถ้าเราไปยึดนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่เหมือนชาวบ้านเพราะชาวบ้านนี่เขาไม่มีอาบัตครับไม่มีอาบัตไม่มีสังกัดไม่มีนิกายไม่มีอายุพรรษาแต่เป็นพระเรามันมีสมมุติเรานี้เต็มไปหมดมันก็เลยละยากกับผมต้องใช้เวลานานมากนั้นการเข้า เก็บอารมณ์ของผมผมหมายถึงว่าการหมายทําปริวาสปริวาสสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมันคงจะต่างอย่างที่เราทําผมก็นึกถึงสมัยครั้งพุทธกาลเข้าปริวาสกอเข้าเก็บอารมณ์เข้มนั่นเองนะครั้งละ10บวันครั้งละสิบห้วันผมก็เลยว่าเริ่มต้นชําระ ชำระศีเนี่ยคือการเข้าเข้าเก็บอารมณ์เพราะฉะนั้นในแพรย์แสงเทียนของผมนี่ผมจะไม่มีการทําเรื่องปริวาสแต่จะมีการเก็บอารมณ์ทุกระยะเก็บอารมณ์เจ็ดวันบ้าง15วันบ้างเดือนหนึ่งบ้างนั่นคือการชําระการชําระศีไมันได้หมายถึงการบอกอาบัติการชำระสีคือชําระจิตท e ี่มันเศร้าหมองจิตของเรามันเศร้าหมองด้วยอารมณ์อะไรให้ชําระการชําระจิตออกเพราะว่ากายวาจาขึ้นกับจิตใช่ไหมครับเมื่อจิตเศร้าหมองกายวาจาก็ทําเศร้าหมอง เมื่อจิตไม่สศรมองกายวาจามันก็ไม่เศร้าหมองนัมันเริ่มมารู้จักตัวศีลศีลคือตัวอาทีศีล น, นะครับตัวจิตที่ว่าการชําระจิตที่คือตัวอาทีศีลสิกขาอ า, อาทีจิตอาทีศีลสิกขาเมื่ออาทีศีลศีลตัวแท้ตัวจริงเกิดเราเริ่มชําระความเศร้าหมองของจิตตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเราสํารวจจิตของของเราก่อนว่ามันเศ้ามองด้วยเรื่องอะไรคิดด้วยเรื่องอะไรแล้วรู้ชาระตรงนั้นก่อน เมื่อเราเก็บอารมณ์บ่อยเข้ารถสติสัมยะมันแก่กล้าขึ้นแก่กล้าคือเราต้อมีเครื่องมือสติสัมยาเป็นเครื่องมือในการชรําระจิตชําระศีลให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการเจริญสติมันก็เป็นการเจริญศีลไปในตัวการชําระศีลไปในตัวดังนั้นตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มบอกเริ่มาสา่ทอดประสบการณ์อันนี้ให้กับพระที่มาปฏิบัติ ด, ด้วยก็เรียกว่าเอาใจใส่กันแล้วก็ชีวิต เรื่องของนักบวชก็ต่างไปนะเคยรักกินนิมนต์เคยเทศเคยสวดเคยฉันอะไรก็ต่างไปส่วนใหญ่ก็จะพาพาไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำจัดค่ายอบรมกันแล้วเจ้าคุณอาจารย์อาจารย์เจ้าคุณกับอาจารย์มหาสุดินนี่ก็ไปเข้าผมตั้งแต่ปีสามเจ็สาแปดครับผมพาไปค่ายวันั้นหเดือนเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไปท่าไปตั้งแต่ถ้าตับเจ้าทะลุจนถึงจานทร์ตราฎระยอง ก็ทํากันมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีนั้นมาผมก็พาพระเข้าค่ายจนมาถึงปี40เนี่ยผมเริ่มห่างเหินจากการหลรมพรเพราะมีโยมไปไปสร้างวัดซื้อที่ถวายอยู่ที่อเมริกาตอนแรกผมก็ไม่ไปแต่สงภาพไปแทนสงภาพไปแทนก็ยังไม่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ผมก็เลยไปเองเมื่อไปเองแล้วก็เลยไปทําวัดก็เลยไปไปมาระหว่างอเมริกากับเมืองไทยที่6เดือนอยู่ที่นี่6เดือนอันนี้ผมก็กลับมาประมาณสักเดือนเดือนเศษ เ, เองนะครับ ก็ที่นูนมันก็มีเรื่องหลากหลายอีกนะครับคนหลายชาติหลายภาษาการสอนการอบรมอะไรต่างมันก็ขยายออกไปเรื่อยในวิธีการของพุทธยนขยายเป็นสิ0กว่าลัาแล้วครับได้เห็นความตั้งใจครับความตั้งใจของคนโดยเฉพาะชาวบ้านเขาทุกมาสู่เนี่ยเขาต้องการพบตัวตัวสุขแต่ยังได้กล่าวแล้วว่าตัวสุขจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ตัวทุก ทีุ่เจ้าตรัสทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีแอร์ดับใช่ไหมครับตามที่เรีนตรัสเอาไว้นะในอนิสสีก็เอาทุกมาเป็นตัวตั้งเกิดวันทุกเหตุเกิดทุกการดับทุกวิธีการดับทุกนะทีนี้จะหาสิ่งตรมกันข้ามยังไงคือตัวไม่ทุกตัวไม่ทุกทุกคนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักตัวไม่ทุกเนี่ยในขณะนี้ท่านทุกเพกาะคาโกรดมีไหม ไม่มีทุกข์เพาะควาโรกความหลงไม่มีแต่ทุกข์ทางกายไม่ถือว่าทุกข์เป็นความไม่สบายกายเท่านั้นเองนะแต่ว่าทุกตัวที่มาที่จำสารับเป็นทุกข์กับขันเนี่ยเป็นทุกข์ในขันเป็นอุปาทานทุกที่เกิดจากอุปาทานในขันห้าอันนั้นคือทุกข์ในญาณิยตัจแต่ทุกที่เกิดไอจากไอสังขาระขันคือร่างกายอันนี้ไม่ใช่ทุกข์คือความไม่สบายเฉยๆเราแก้ไขได้บําบัดได้เราไม่เรียกว่าทุกข์เราเรียกว่าความไม่สบายไม่สบายกาย นะเราค่อยบำบัดไปเรื่อยๆทุกตัวนี้แม้แต่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็กําจัดไม่ได้ทุกของของกายนีย่เพราะมันมันเป็นวิบากขันธ์ตามมาแต่ทุกในอริสัต์นั่คือทุกในอุปทานในขันธ์ห้าสังกิเตนะปัจจุบทานาะคันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปยึดถือความคิดว่าเป็นตัวตนนั่นแหละเป็นทุกใช่ไหมครับสังกิเตนะปัจจุบทานาะคันธาทุกขาเราไปสําคัญความคิดในว่าเป็นเป็นตัวเรานั่นนะครับต้นเหตุของความทุกข์มาจากนั้นเขาเรียกว่าอัตตาใช่ไหม ความคิดก็คือความคิดความคิดไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเรานั่งปวดถ้าเราไปเห็นความปวดเป็นเรามันก็เป็นตัวทุกข์ในอุปทานขึ้นมาใช่ไหมแต่เราเห็นความปวดคือความปวดไม่ใช่เราอันนั้นทุกข์ในอุปทานไม่เกิดเกิดใตทุกข์ในขันตรงนี้ใช่ไหมครับทุกข์ในตัว ตัวกายตัวรูปประคันตรงนี้แต่เมื่อไใดทุกที่เราไปสําคัญมั่นหมายในคิดในความคิดในมานะในทิฏฐิในอัตอตาว่าเป็นเราตัวนั้นคือทุกในอุปทานผู้ริจ้าตรัสรู้ทุกตัวนั้นนะครับแล้วก็ให้กําจัดทุกตัวนั้นเพราะนั่นเหตุที่จะทําให้เกิดทุกในอุปทานนั่นคืออะไรก็คือความอยากใช่ไหมครับตัณหาสามอย่างที่เราทราบกันในใน ธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรการมาตัญหาภวะตัญหาวิภวตัญหาเมื่อใดเราอยากสมมติเรานั่งนะเรานั่งสร้างจังหวะหลุดเราอยากจะเปลี่ยนอิเลียบทโดยที่เราไม่ดูความอยากให้ชัดๆเนี่ยเราเปลี่ยนไปด้วยความอยากตัวนั้นมันเป็นทุกข์ในอุปทานแล้วแต่ทุกข์ในกายนี้เราอยากจะเปลี่ยนอยู่แต่เราต้องสํารวจเข้าไปเรียกว่าโยนิสูเข้าไปในตัวความอยากที่จะเปลี่ยนก่อนเมื่อโยนิสูแล้วนี้เป็นความอยาก ขาจัดความอยากออกไปก่อนๆแล้วให้เปลี่ยนด้วยความไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเก บ, บ่ับบัดทุกตัวนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสนามันเริ่มต้นจากนั้นไปเลยครับเริ่มต้นเลยว่าอยากสิ่งเล็กๆน้อยทั้งหลายเนี่ยต้องตัวอยากตัวทุกคือสิ่งที่กําหนดรู้ทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละแต่สิ่งที่ต้องละไปลาที่ตัวตัวอยากนะครับไม่ได้ไปละที่ตัวทุกทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องเห็นทุกต้องเข้าใจทุกต้องศึกษา ทุกต so, th ay ้องพิจารณาในตัวนั้นแต่ตัวอย่างเราไปละที่ตัวอย่างพิจารณาที่ตัวทุกทุกต้องกําหนดรู้นะทุกต้องกําหนดรู้ในกิจของนิยสัตย์สมุทัยต้องละอะไรเป็นสมุทัยของของตัวนั้นก็เป็นตัวอย่างเป็นสมุทัยเราไปละที่ตัวอย่างละอย่างไรครับคือละคือการเข้าไปพิจารณาใช้ธรรมวิจยะพิจารณาของตัวอย่างนั้นในองค์ของพุ่ชมใช่ไหมครับให้เห็นว่าเป็นธรรมวิจยะว่าเออตัวอย่างเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่า อ๋อตัวอย่างตอนนี้เราเปลี่ยนด้วยความไม่อยากเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนด้วยความอยากนะเป็นความรู้สึกตัวแล้วความไม่สบายกายก็าหายไปเดี๋ยวถ้าเราไม่กำหนดรู้ที่ใจเดี๋ยวใจมันก็ไปอยากตัวใหม่อีก ก, ก็มากำหนดรู้ทุเรศดูใจมาดูใจอ๋อหลวงพ่อเทียนสอนให้ดูใจ แต่เนื่องจากว่าอินรีย์ของเราที่หมอว่าไปเมื่อคืนอินรีย์ของเรายังไม่เข้มแข็งไม่ว่าเป็นสติ c, ินทรี c, ย์สมาิินทรีย์ปัญญทรีย์มันยังไม่เข้มแข็งก็ต้องมาปรับอินทรีย์เพราะนั้นก็การปรับอินทรีย์ก็ปรับไปจากกายก่อนเพราะกายมันยาวก็คือมาสร้างตัวสติสมาธิที่เป็นไปนในกายก่อนนะเพราะฉะนั้นตัวสติปฐานสี่จึเกิดขึ้นในกายญานุปัสสนาสติปฐานนั้นท่านแบ่งการกำหนดว่ถึงหแบบใช่ไหมครับว่าอันแรก สิ่งที่มันเข้าออกอีกต่เวลาคือลมหายใจอันที่สองคือดีบท4ยืนเดินนั่งนอนอันที่3ามไม่ดีบท ย, ย่อยรู้เหยียดขึ้นไหวฟักตาอาปักหายใจสร้างจังหวะนี้ก็เป็นดีบท ย, ย่อยอันที่4ก็ว่ากำหนดท่าสดินน้ําหล่มไฟให้ร่างกายเห็นร่างกายเป็นท่าสาอันที่5ก็อาการ 3.2 อันที่6ก็ 6, อสุภใช่ไหมครับในส่วนกายเนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเพื่อปรับอินทรีย์นะครับตัวกายานุปัสนาเนี่ปรับอินทรีย์ แต่เป้าหมายของเราก็คือตัวจิตานุปัสสนาคือไปเฝ้าดูจิตแต่เนื่องจากว่าอินทรีย์คือปัอิานิสีสมาธินิสีสตินทรีย์ของเรายังไม่เข้มแข็งต้องมาอาศัยตัวกา ย, ยานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนามาเป็นตัวปรับอินทรีย์นะเมื่อปรับอินทรีย์มันพร้อมแล้วตัวสร้างจังหวะเนี่ยเราอาศัยตัวรู้สึกเป็นนิมิตกรรมกรรมฐานใช่ไหมครับไม่ได้เอามือเป็นเป็นนิวิตนะแต่อาศัยมือนี่เคลื่อนไหวนี่เพื่อให้เป็นเกิดความรู้สึก ไอ้ความรู้สึกนี้เป็นลิมิตที่เป็นความรู้สึกตัวรู้สึกเป็นปรมัตหรืเป็นสมมุติเป็นตัวปรามัดเพราะนั้นเราเอาตัวปรามัดเป็นลิมิตของสมมฐานตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในตัวของวิปัสสนานนั้ต้องเอาตัวปรามัดเป็นลิมิตของสมมฐานแต่สมมติานั้นเอาตัวสมมุติเอาตัวรูปเป็นลิมิตใช่ไหมครับเราไปเพ่งเอานั้นเอาลมเป็นลิมิตเอาสีเอาแสงเป็นลิมิตเอาบริกรรมเป็นลิมิตเป็นสมมติฐาหมด แต่ในตัววิปัสสนานะั้นต้องเอาตัวปรมัดแล้วตัวนี้เวลาพิจารณาเข้าพิจารณาเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวปลมัดคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนณตาของกายก่อนเมื่อเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนณตาของกายมันก็เลื่อนไปสู่ใจแล้วไปดูจิตดูความคิดเป็นอนิจจังทุกข์ขังอณตาเลยไม่ได้เพราะอีซีของเรายังไม่เข้มแข็งตัววิปัสสนาญาณ ย, ยังไม่เกิดเพราะนั้นเราก็มาฝึกกับกายก่อนเพราะกายของเราเนี่ยมันหยากมันเห็นได้ชัดปวดมันก็เห็นชัดชัดใช่ไหมครับเมื่อยมันก็เห็นชัดชัด ไม่สบายกายมันเห็นชัดก็เอาตัวไม่สบายกายนี่แหละเอาตัวทุกข์ทางกายเนี่ยมาเป็นตัวพิจารณาก่อมเป็นอนิจจังทุกขครับเมื่อจิตของเราเกิดวสีเกิดความชำนาในการพิจารณาอนิจจังทุกข์ังอนิจตาเป็นนิมิตมันเกิดทักษะใช่ไหมครับเกิดทักษะเกิดความชำนิชำนานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นดูกายเป็นก็ดูจิตเป็นที่หมอว่ามาเมื่อคืน นะเมื่อดูกายเป็นก็ดูจิตมันจะเลื่อนไปดูเข้ามเองแต่ขอให้ดูกายให้ชัดก่อนพอดูกายก็เห็นจิตหลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อเทียนว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นนิพพานดูกายก็เ you ห know ็นจิตเราจะดูจิตก็ดูกายก่อนแต่ว่ามันยังไม่ละเอียดพอแต่ให้ได้เป็นเครื่องมือเป็นประสบการณ์ด้วยก่อนได้กายได้ความรู้สึกทางกายเป็นเครื่องมือเป็นประสบการณ์บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไปมีอะไรมากระทบทางจิตมันก็ผ่านเวทนาใช่ไหมเราก็มาพิจารณาเวทนา เวทนาคือความในขณะที channel, channel, channel, channel. 8, nah, ่เราสบายไม่สบายเป็นเวทนาทางกายความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจเป็นเวทนาทางจิตเวทนาก็เป็นสองอย่างเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตนะครับเอาเวทนาทางกายเป็นหลักซะก่อนเวลามันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็ตรวจสอบเข้าไปในเวทนานั้นดูความปวดความเมื่อยนั้นมันเป็นอะไรเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดความอยาก แบบการมาตัญหาหรือเป็นวิภวะตัญหาเป็นวิภาวะทุกขเวทนาเราอยากจะเปลี่ยนทุกขเวทนาเป็นวิภาวะใช่ไหมครับ <c oughs> คือไม่อยากมีไม่อยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นยังอยู่อยากจะให้ความเจ็บปวดความเมื่อยนั้นหายไปเป็นวิภาวะใช่ไหมเราก็อยากจะไปหาความสบายที่ดีกว่านี้เป็นกามะใช่ไหมครับกำหนดเข้าไปในปัจจุบันปั๊บเราไปละเหตุการมาตัญหาภาวาตัญหาวิภวะตัญห า, หาไปละเหตุเกิดทุกตรงนั้น แล้วทําอย่างนี้บ่อยเข้าเบื่อเข้า ough, มันก็ไปสู่จิตตาของมันเองดังนั้นในวิธีการของโหเรียนไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่ทําง่ายที่สุดเป็นวิธีที่ทําได้นานทุกเมื่อก่อนเวลานั่งสมาธิหลับตานี่ยครับผมทําอย่างอย่างเต็มที่แค่สามชั่วโมงผมก็ไปล่อยไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะในตัวของการนั่งทั้นบอกบขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงํารงสตงิมั่นกําหนดลมหายใจเข้าผมนั่งแค่สามชั่วโมงนี้ก็ตะคิวจังหมดทั้งตัวแล้วครับอนะ มันไปไม่รอดแต่มานั่งของพ่อเทียนนี่นั่งยังไงก็ได้นั่งสร้างยังหวัดทั้งวนันก็สบายทั้งวนันเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนไปไเรื่อยๆความทุกข์ความไม่สบายกายต้องบำบัดใช่ไหมครับต้องบัดแต่ความไม่สบายใจนั่นต้องละละด้วยใช้ตัวธรรมวิทญาณที่ใช้ตัวอยู่ที่สูงแต่ตัวกายความไม่สบายกายต้องบำบัดแต่บำบัดด้วยสติไม่ใช่บำบัดด้วยความอยากนี่ก็มันเริ่มจากนี้ไปอ๋อหลวงพ่อเทียนท่านสอนง่ายๆเห็นชัดๆ นะเห็นชัดๆก็เลยเรื่องผมก็เลยไม่ลังเลทําไม่ลังเลใครจะว่าไงก็อะไรก็ได้ที่มันจะเข้าไปกําจัดในในทุกของเราได้ทั้งกายทั้งใจปรากฏว่าที่นี่มันไม่ได้นั่งแค่สามชั่วโมงก็นั่งได้เป็นวันเป็นคืนเพราะอะไรเพราะเราเราเอาตัวรู้สึกกับการืึ้นไหวนี่เป็นลิมิตเราไม่ได้เอาเอาตัวเจ็บตัวปวดเป็นลิมิตของกรรมาฐานบางสายก็เอาตัวเจ็บตัวปวดเป็นลิมิตของกรรมาฐาน มันก็ถูกเหมือนกันจะไม่ถูกหมดนะครับตัวเจ็บตัวปวดเป็นเรื่องของร่างกายสังขารเป็นต้องบําบัดมันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติมันเป็นทุกข์ของอุปาทานแต่ตัวที่ต้องต้องละคือทุกข์ในอุปาทานแต่ทุ ก, ทกข์ในในขันในกายเนี่ยต้องบําบัดทําไมบําบัดเราผิดนะครับเบียดเบียนตนเองนะมันก็เป็นผิดในไหนอ่ะพยาในสังกัปปะใช่ครับสังกัปปะ3วิวิธีสาสังกปะพยาบาทสังกัปปะ ในกรรมสกปรกพยาาทวิถีสารสกปรกคือกดำปีที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไอการที่นั่งทรมนตัวทรมานตัวเองนานๆมันเป็นเป็นการเบียดเบียนตัวเองแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ละมันผิดในตัวองค์ของสมารสกปรกดังนั้นในเรื่องเหล่านี้ออเรียบเรียงไปเรียบเรียงไปเนื่องจากผมมีปริยัติอยู่บ้างผมก็เทียบเทียงในวิธีการพอเพียนเข้าไปสู่ตัวตัวปริยัติเทียบเทียงตัวสภาวะนั่น ไปสู่ตัวปริยัติเขามันตรงมันลงกันหมดผมก็เลยไม่สงสัยโอ oh ตรงนี้เองถึงแม่หลวงพ่อท่านไม่รู้ปริยัติมาเลยแต่ว่าเทียบเข้าไปมันลงตัวกันผมก็เลยมันนะม่นใจนะมั่นใจตั้งแต่นั้นมาก็พาพระทำแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องอื่นแตกออกไปเลยใครจะมาตั้งผมเป็นเจ้าอาวาสผมก็ไม่เอาใครจะมาตั้งผมเป็ น, อ, าา อ, ปนอันนั้นผมก็ไม่เอาแต่เรื่องเดียวเพราะชีวิตของเราไม่ถึงร้อยปีแล้วต้องตายแต่ถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่รู้มรรคผลนิพพานเนี่ยเราไม่รู้จะต้องไปเวียนว่าหวใจเกิดจะไม่รู้กีบ มือกี่แสนชาตินะครับเป็นเรื่องที่น่าทุกข์ทรมานมากแค่ชาติเดียวนี้เราก็ไปไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาทําเรื่องเดียวเรื่องการเจริญเศรษีแล้วก็มีเวลาก็ไปบอกไปบอกผมก็ไม่ได้ว่าผมเป็นครูบาอาจารย์ผมมีประสบการณ์เอาก็าประสบการณ์นั้นไปถ่ายทอดไปบอกครับผมก็เหมือนกับพระใหม่เด็ ใ, ใหม่เนี่ยผมผมรู้สึกตัวไปอย่างนั้นเสมอนะนะแต่ว่าที่เขานิมนต์ไปก็ไปบอกเออประสบการณ์ไปอย่างนี้นะใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไปไม่ได้บังคับ แต่สมัยที่เป็นวิปสัสสนูมันต้องการอยากจะให้คนรู้ต้องการอยากจะให้คนดีคนไหนไม่ตั้งใจไม่เอาเราก็ทั้งด่าทั้งว่าทั้งเสียสีคับอันนั้นเป็นวิปัสสนูแต่คนไหนเอาแล้วก็แล้วก็ดีใจโมทนาเราก็อยู่ในความดีใจพอใจติดในดีครับเพราะฉะนั้นประการต่อมาคือเราติดในดีในสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเราไปติดเมื่อเขาไม่ทําดีอย่างที่เราต้องการเราก็ ทุกข์คับก็ชั่วก็เกิดดีก็เกิดจากชัวช่วช่ก็เกิดจากดีดังนั้นเองการปฏิบัติวิปัสนาตรงนี้มันก็สู่หลักของกรรมฐานสีและสติปฐานสีลงตัวปั๊บทันทีเลยเพราะฉะนั้นผมเลยเปรียบสติปฐานสีเนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างครับหนึ่งมีห้องนอนใช่ไหมครับสองมีห้องทํางานห้องนั่งเล่นสาม มีห้องน้ำห้องส้วมสีมีห้องครัวเช่นเดกับองค์ประกอบของสติปัญฐาสีก็เหมือนบ้านของใจก็ประกอบด้วยสีกายานุปัสนานี่เืยเหมือนห้องน้ําห้องส้วมเพราะมันเป็นที่ถ่ายชาระทุกอะไรต่างๆของกายเวทนานุปนัสนานี่เหมือนกับห้องห้องครัวครับปรุงอ่าปรุงเวทนาที่รับความพอใจไม่พอใจ จิตตานุปัสสนาในมือห้องทำงานห้องรับแขกทำมานุปัสสนาในมือห้องนอ น, นในองค์ประกอบของบ้านอย่างจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นครับเราก็มาสร้างที่พึ่งทางใจด้วยการมาสร้างตัวสติตัวนี้ดังนั้นวิธีการอมเป็นรัดไปสู่ตัวสติตรงๆครับตรงๆแล้วก็ทำอย่างสนุกสนานผมทำมา20ปีผมไม่รู้สึกเบื่อเลยน ะ, ะตั้งแต่ปี ถ้าจะว่าไปปี20หรือปี30เนี่ยผมไม่ไม่นับว่าเป็นตัวที่ผมปฏิบัติได้เต็มที่แต่ปี30มาถึงปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าได้ปฏิบัติได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะว่ามันมันไม่สงสัย ตราบใดท่าสงสัยอยู่เนี่ยมันยังไม่ไปไหนนะครับมันสงสัยเพราะนั้นมีชื่อคือคํำหนึ่งนิดว่านิการโขเนี่ยท่านผู้เป็นบารีเคยคงจะรู้จักใช่ไหมครับนี่ารโขแปลว่าต้องมีข้อสงสัยออกแล้วเนี่ยมันถึงจะปฏิบัติได้เต็มที่แต่เมื่อไรเรายังสงสัยอยู่เราก็ยัง อ, อักวะ น, นั้นบ้างเอานี้บ้างเอานั้นนิดอันนี้หน่อยมันก็ยังสับสนอยู่เพราะนั้นต้องหายสงสัยในวิธีการปฏิบัติก่อนเ ม, มื่อหายสงสัยในวิธีการปฏิบัติมันก็จะหายสงสัยในการดับทุกข์ หายสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้านึกว่าเราเรียนรู้จากคําสอนของพุทธเจ้าจริงๆเราจะทุ mm ่มเทครับตอนนี้ย <los> ังไม่ทุ่มเทหรอกเพราะคําสอนของพุทธเจ้าคือสอนเรื謝謝่องไม่ทุกข์นะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องอะไรเมื่อไม่ทุกข์แล้วเราจะเรียกอะไรก็ได้เรื่องมรรคผลก็เรื่องนิพพานก็ได้เรียกโสดาสีนาคหันเรียกอะไรก็้วก็สมมุติเรียกครับแต่เราต้องการตัวเดียวคือตัวไม่ทุกข์เท่านั้นแล้วตัวไม่ทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เรแสวงหาไหมไม่ครับเพราะตัวไม่ทุกข์มันมีออยูู่แล้้้ววเรราาาตงทํคมจัก <t Claro> ทำความรู้จ yeah, ักไม่ทุกอะไรไม่ทุกใจไม่ทุกใจที่เกิดจากกิเลนนะแต่ว่าไอ้ความไม่ทุกทางกายเราปฏิเสธเขาไม่ได้เพราะกายของเราเป็นวิบากขันใช่ไหมวิบากขันได้แต่บันท์เขาผลักของเราเราเกิดมานี่ก็เพราะเรามีวิบากอยู่เพราะนั้นเราไม่เสือวิบากกายต่อเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ซึงเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บมันเป็นวิบากขันดังนั้นเราต้องแยกให้ออกระหว่างความทุกทางกายกับใจเพราะฉนั้นในหลักสูตรของพ่อเทียนท่านจึงเริ่มต้นให้รู้จักรูปนาม และในรูปน้ำ น, นี้มีอะไรมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่ารูปโรคน้ำโรคและในรูปโรคน้ำโรคนี้เราจะแก้ไขยอย่งไรก็ต้องมารู้จักรูปธรรมนามธรรมล้วต้องทํำยังไงกับกายที่จะไม่ให้มันเป็นโรคทำยังไงกับใจที่จะไม่ให้มันเป็นโรคแก้ไขไปเรื่อยๆแก้ไขจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมเวลาไปอบรมที่ไหนผมก็เลยใช้หลักสูตรสี่อย่างนี่ครับคือให้มันอยู่ได้ทั้งกายทั้งใจให้มันเข้มแข็งได้ทั้งกายทั้งใจ ลักษณะนันที่หนึ่งก็เจริญสติให้เป็นนิสัยเจริญสติให้เป็นนิสัยจะทําอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยให้มีสติก่อนที่จะทําลงไปให้มีสติก่อนที่จะพูดลงไปให้มีสติก่อนที่จะคิดอะไรลงไปเนี่ยเจริญสติเป็นนิสัยอันที่หนึ่งอันที่สองร่างกายเนี่ยต้องออกกาลังครับผมก็เลยเอาโยคะเข้ามาสอนเอาโยคะการออกกําลังกายด้วยโยคะเข้ามาทําโยคะุณทําอะไรปีแล้วก็ทําให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วย แก้ไขมันอันที่สามต้องดูแลเรื่องอาหารอาหารเป็นส่วนสําคัญมากในการที่จะให้ร่างกายของเราเข้มแข็งและอ่อนแอทําให้ร่างกายจิตใจของเราได่เกิดกิเลสมากน้อยเรื่องอาหารต้องเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารดีนะครับอาหารอะไรก็ได้ที่มันไม่ทําให้เราอยากมากขึ้นเป็นอาหารปลอดสารพิษ อันที่สต้องรู้จักขจัดของเสียออกจากร่างกายตามภาษาสมัยใหม่เลยดีทฮอกนะผมจะหลักสูตรสีอย่างเนี่ยไปอบรมไปนโรมที่ไหนก็ตามนะที่ทางอเมริกาก็ดีที่เมืองไทยด้ใช้หลักสูตรที่อย่างนึงจเจริญสติเป็นนิสยัยสอออกกำลังกายเป็นประจำา3เลือกอาหารที่มันปลอดสารพิษทำให้ร่างกายของเราไม่มีทุกขเวทนามากเกินไปสรู้จักขจัด ข, ของเสีย เ, เรื่องเวทนาเป็นส่วนสําคัญผมอยากจะเน้นว่ามันมีอยู่ในโพธิราชภูมานสุสใช่ไหมว่าผู้เจริญสติที่จะให้บรรลุถึงองคุณแห่งสติได้รวดเร็วถึงวิปัสสนาได้รวดเร็วต้องประกอบด้วยองคุณห้าประการใช่ไประการที่หนึ่งต้องศรัทธาในการที่จะออกจากทุกข์จริงๆสู่ทิวิ ต, ติใจนะครับ จ, รรจะออกจากทุกข์เล็กๆน้อยๆนี่ไม่ใช่ต้องศรัทธาที่จะออกจากทุกข์สองให้มีความเพียรต่อเนื่อง สาตาจักรกาธินนะให้มีความเพลินเพียนอย่างต่อเนื่องถ้าความเพียนไม่ต่อเนื่องมันเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นในวิธีการวัฏเพียนจริงให้จริสติตลอดเวลาให้ต่อเนื่องตลอดเวลาและมีโอกาสเก็บอารมณ์เก็บทีและเกวัน10วัน15วันให้มันต่อเนื่องแต่ไม่ได้หมายว่ายกมือต่อเนื่องนะมันหมายเดินจงกรมต่อเนื่องคําว่าต่อเนื่องคือกําหนดการเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งใจให้เห็นชัดเจนอย่างต่อเนื่องกําหนดรู้อย่างต่อเนื่องแล้วไปรู้จะทําอะไรจะยกจะย่างจะเดินให้ต่อเนื่อง นี่ท่านใช้กําห่าเป็นรูปโซ่นะครับอันที่สามมีเวทนาเบาบ า, บางอันนี้ในโพธิราชกุมารสูตรมีเวทนาเบาบ า, บางถ้าหากว่าเราไม่กําหนดในเรื่องอาหารการกินเนี่ยวเวทนามันแรงมากแล้หลังมาผมก็มาฉันพวกชีวิตบ้างพวกไบโอติกบ้างพวกมังสวิรัตบ้างทําให้เวทนามันเบาบางสบายเรื่องเนื้อนี่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดกันนะคือต้องการให้เห็นแก่การปฏิบัติมิปัสนาอันไหนที่เราจะลดต้องลดนะ แต่พระองค์เราที่ยังไม่จริงจังในเรื่องนี้ก็ยังมีทุกอย่างนะเนยังมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเราต้องการสิ่งไหนต้องการความไม่ทุกข์ใช่ไหมครับมันก็จะต้องละเหตุของทุกข์ละเหตุของทุกข์นี่มันมีทั้งความทุกข์เหตุที่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมเหตุที่เป็นนามธรรมก็คือพวกตัณหาทั้งหลายเหตุที่เป็นรูปธรรมก็คือตัณหาเหตุที่เป็นรูปธรรมในส่วนกาย เหตุที่เป็นนามธรรมาก็ในส่วนด้าหาเหตุที่เป็นรูปธรรมก็ในการเรื่องอาหารทั้งหลายที่เข้าไปในร่งางกายทาให้เกิดเวทนาต่างๆดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัตินี่ผมว่าเราต้องทําความเข้าใจนะครับจเจริญสตินี้ผมก็ไม่อยากให้เชื่อทันทีเดี๋วครับเอาไปศึกษาดูก่อนผูเจ้าท่านไม่ให้เชื่ออย่างเลยครับส0ประการตามกาลรมาสูนไม่จำเป็นต้องเชื่อพวกผู้นิ迦ไม่ได้สอนให้เชื่อแต่ท่านสอนให้พิสูจน์ครับถ้าไม่เชื่อด้วยแล้วก็ไม่พิสูจน์ด้วยอันนี้เราผิดนะครับ ไม่เชื่อแล้วต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วถ้าสติปัญญาเราดีเราจะเจอความจริงสติปัญญาสติปัญญ า, ญญายัางไม่พอเราก็ต้องทุบไปก่อนนะครับเพราะงั้นเจริญสติแบบนี้ไม่ใช่รับได้ง่ายๆตามประสบการณ์ของผมกว่าจะเจริญสติได้มีไดสนิทใจผมใช้เวลาทั้งหร่เป็นสิบสิบปีนะครับแต่ก็ทําอยู่นะครับแต่มันไม่สนิทใจ มันไม่ได้เต็มใจทําหรอกเขาว่าดีก็ดีไปตามเขานะี่แต่ที่มันสนิทใจจริงๆเนี่ยผมโดนกระแสผมเก็บอารมณ์นะครับนะในช่วงที่ผมเก็บอารมณ์พี่บอาผมไปติในทําตัวแข็งอยู่ผมก็ยังทำสมรสมรธายอยู่เพราะมันไม่ได้สนิทใจอยู่กับตัวสติสมญญาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ขอให้พระคุณเจ้าเป็นนักศึกษานะครับอย่าเป็นนักที่จะเอาเห็นอะไรดีก็จะเอานะีในช่วงจังหวงนี้ก็ก็ต้องพิสูจน์ดูก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อ ถ้ามาพิสูจน์แล้วเราจะบอกสังจังหวะก็อย่างนั้นเนี่ไม่เห็นดีอะไรเราจะว่ายอย่างนั้นครับแต่ถ้าคนไหนชอบพิสูจน์ชอบในเรื่องที่จะให้จิตของเราสัมผัสเรื่องเรื่องสติจริงๆแล้วก็ต้องมาศึกษาตัวนี้แล้วมันจะค่อยเลือ่อนไปเรื่อยๆดังนั้นมรรคผลนิพพานไม่ใช่สิ่งล้าสมัยครับยังทันสมัยอยู่เสมอมีอยู่เสมอแต่ว่าเราจะพิสูจน์หรือไม่ที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อใดยังมีการพื้ดีปฏิบัติชอบ บริษัทสี่ิสุพิสุนีวัสสุกุศิกายังปพุติดีปฏิบัติชอบอยู่เมื่อนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากมรรคจากผลจากอรหันต์ใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่จำมันก็ไปคัดค้านกับว่าพุทธธรรนายว่าห้าพันปีโลกนี้จะไม่มีพุทธศาสนาพานาวกไปคัดค้านกันตรงนั้นแต่พุทธองค์ดัสว่าเมื่อบริษัทสี่ยังประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากอรหันต์นั่นหมายความไม่มีไม่มีลิมิตไม่มีการเวลาใช่ไหมครับเป็นอาการดีโกแต่ทําไมมาจํากัดว่า 5,000 ันปีมันคัดค้านกับพุทธธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้น่ใ ผู้ทีาทำนายใครทำนายไว้ก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเองอพระคุณเจ้าทั้งหลายครับผมอยากจะให้ลองศึกษาเรื่องนี้ดูทั้งหมดเนี่ยนะ่าถาวว่าท่านองค์ใดมีความตั้งใจที่ศึกษานี่หมดเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้มีการยานวิทยทางใจเลยเสถียรมีมากขึ้นแต่ที่ผมไปมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพระของเราจะสนใจอย่างจริงจังเนี่ยน้อยมากแต่โยมเน้่ผมไปอบรมโยมสักคนเนี่ยอย่างน้อยต้องเอาแล้วแคน แต่พระเราเรวมสักร้อยนี่ยอย่าเอาสัก5องค์อสิองค์ก็ยากครับเพราะว่าเรามีสมบุติเยอะไงเรามีนักธิมีนิกายมีวิธีการมอีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะวิธีการออกอาบัตของผมก็คือการชำระจิตนั่นเองครับเมื่อชำระจิตให้สมองแล้ว อาบัตทางกายอาบัตทางไหนมั น, ม, นมันก็หมดไปเองคือเราไม่ทำในสิ่งที่เราเคยทำมันที่มันผิดพลาดเราไม่ทาหยุดทาสิ่งนั้นเสียเนี่ยอาบัตมันก็ตกนะแต่ถ้าเราเก็บปฏิวัติร้อยครั้งปันหนแต่ว่าเราไปทำซ้าสิ่งเก่าๆอยู่เก็บปฏิวัติไปร้อยวันพันปีก็ไม่ตกกับอาบัตแต่เมื่อใดสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีตัดไม่สูบอาบัตก็ตกแล้วนะ กินข้าวเย็นไม่ดีไม่กินเสียอวบัดก็ตกแล้วครับคือไม่ทําตามนั่นเองจับเงินจับทองไม่ดีเราไม่ไปไปยุ่งมงินเสียมันก็ตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าจะชาระตามตัวสมมุติเรื่องนไม่จบแร้วครับแต่ให้ชาระที่ใจ ตัวอาบัติทั้งหลายก็อยู่ที่อุบาทานถ้าเรายังมีอุบาทานในจิตในใจอยู่อาบัติน Upper, ilia, uh ี้ก็ย um, ังม be ีอยู่เมื่อใดจิตของเราสิ้นอุบาทานอาบัติมันก็ก็หมดโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนํากล่าวมาทั้งหมดมีหลายเรื่องหลายราวที่จะพูดแต่ว่าเวลาจํากัดนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ไังต่อได้ไหมครับ ก็พัต่ออยนิดหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นชั่วโมงเนี่ยท่านผู้ใดมีอะไรสงสัยกับผมเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าถ้านมีอะไรสงสัยก็ถามคนที่มุนน่นี่นยครับที่มุ่งเลครับมีอะไรสงสัยถามพบางทีเป็นการนำสมิลไฟเดียวนี่ยจจะเหมือนกับอ่าก็ไปท่านนะมันเป็นธรรมแต่ถ้าหากว่าท่านมีอะไรที่ ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยบางบางท่านก็ยังคานอยู่ในใจอยู่ก็มีแ้่ผมเปิดโอกาสให้ถามไม่มีใช่ไหมครับานีหมดครับนีคอานทเล่นนะครับบอกว่างานิพพานของท่านเจ้าถินร่งที่เป็นแคปัญหาเดียกับเพราะว่าท่าเจ้าทยากนาเข้าทางเดยเรือต้นมันคอยรานอนายงี้ยจะิลนดับแบบทหลายนความหมายท่านรู้จักคำว่านิพพานนิพพานในความหมายของท่านคืออะไรครับ ท่านไม่เข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจท่านจะตั้งปัญหานี้ยังไม่ได้ถึ้งก่อไปท่านก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับต้องเข้าใจเขาว่านิพพานนี่ก่อนนิพพา น, นคืออะไรนิพพานที่เรารู้วยใจเอออ่าแกงนี่มันร้อนอย่าเพิ่งกินเลยในอินเดียเขาจะบอกว่าเออนี่มันร้อนอย่าเพิ่งกินให้มันนิพพานซะก่อนเออข้าต้มนี่ร้อนอย่าเพิ่งตักกินให้ค้าต้มมันนิพพานซะก่อ น, อนเพราะมันนิพพุติใช่ไหมครับ ภาษาอีเดียก็อนิพุติให้มันให้มันเย็นเช่นก่อนนิพพานแปลว่าเย็นนะอะไรก็ได้ใจของเราที่มันเย็นจากราคะโทสะโมหะมันก็เป็นนิพพานนะแต่พระพุทธเจ้าเข้าประนนิพพานว่าทวนหน้ถอยหลังอันนี้เป็นเรื่องพุทธวิสัยนะครับเป็นเรื่องพุทธวิสัยเรื่องที่เป็นวิสัยสีที่เราจะไปคิดเอาเองไม่ได้มีกี่อย่างมีสี่อย่างนี่ไหมครับโลกวิสัยกัรมวิปากรรวิสัย ฌานวิสัยและพุทธวิสัยใช่ไหมครับวิสัยทั้งสีนี้เราไปไปคิดคาดเราไม่ได้แต่ในที่นี้ผมสนใจคําว่าเมื่อก่อนจะเข้านิพพานแล้วท่านเข้าฌานเราได้เข้าไปถึงฌานที่แปแต่จะนิพพานก็ยอ้อนกลับไปฌานที่สี่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่นิพพานตรงนั้นใช่ไหมครับที่เรารู้ตามตําราตรงนี้มันเป็นปริศนานะครับปริศนาว่างไง ในคนทุกคนเนี่ยเราเรามีสมถะจิตอยู่แล้วมีชานนะจิตอยู่แล้วนะครับจะโดยสังสมหรือไม่สมมันมีอยู่แล้วคือความตั้งใจนะคือความตั้งใจมันมีอยู่แล้วไอ้การที่จิตของเราที่มันจะดับจะเย็นได้เนะี่ยเราก็าไปดูสภ า, าวิจิตที่มันมันสงบมากสงบน้อยถ้าสงบมากเกินไปนะมันก็ยังดับไม่ได้ ก็ไปดีสงบถ้าสงบน้อยตันไปมันก็ยังมีวิจตวิจารณใช่ไหมครับแต่สงบพอปานกลางสงบพอปานกลางตรงนี้ต่างหากท่านจะสอนกิเลสที่ความคิดสังขารของเรามันจะนิพพานเพราะฉะนั้นคําว่านิพพานในที่คือนิพพานจากการปรุงแต่งนะครับวิสังขารกระตังกิตังตันฐา น, นังการนิพพานของความอยากเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะพูดถึงว่าพพุทธเจ้านิพพานยังไงแต่ตัวเราเนี่ยปัจจุบันนี้เราสัมผัสนิพพานได้ ถ้าหากเมื่อใดเรารู้สึกตัวนิพพานน้อยๆก็ป ร, บบรากฏแล้วใช่ไหมครับแต่เป็นแต่ทางคณิพพานใช่ไหมครับแต่ในเมื่อตัวรู้สึกไม่ปรุงแต่งเนี่ยเมื่อก่อนเราปรุงแต่งเราก็รู้ไม่รู้จักไม่ปรุงแต่งเราก็ไม่รู้จักแต่มันจเจริญสติมากเข้ามาเข้าเราจะเห็นจิตปรุงแต่งก็รู้ไม่ปรุงแต่งก็รู้ไอ้ตัวรู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าไปจัดการให้จิตของเราสงบรู้ไม่สงบ ก, ก, ก็ได้ เพราะฉะนั้นในวิธีการเจริญสติแบบนี้ท่านจึงไม่ให้เข้าสงบเกินไปถ้าเป็นอั ป, ปนาก็ยังไม่ไปสู่วิปัสนายาณนะครับสงบเกินไปถ้ามาสู่ขณิกะก็ไปสู่วิปัสนายากนะครับเอาแค่อุปจาระ ก, ก็เรียกว่าสงบแบบ ก, กลางๆนะครับสงบแบบอุปจาระเฉีย ด, ดเข้าไปก็พอมันจะเข้าสู่วิปัสนาได้นั้นตัวนิพพานคือ น, นิพพานของการคุงแต่ง นะแต่ว่าในปริพันธ์เนี่ยทั้งขันธนิพนัน์ทั้งกิเลสที่พานเนี่ยผมไม่อยากจะให้เราไปวิเคราะห์วิจัยหรือคาดเดาเอาเราต้องเป็นประสบการณ์จริงแต่ที่ประสบการณ์ที่ผมมีในขณะนี้ก็คือว่าเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาอาสจิไปกำหนดปับ๊บมันดับไปรู้อ้อจะขณะนิจิตไม่ปรุงแต่งได้ เวลามันปรุงขึ้นปรุงแต่งขึ้นมาก็รู้เอาขนาดนี้ปรุงแตง่งเราดับได้มันได้ถ้าดับได้นิพพานก็ปรากฏเมื่อเราสัมสมนิพพานทีละนิดและนิดจากกระทาขั้นนิพพานไปเป็นวิขัมภันตนิพพานจากวิขัมภันนิพพานไปสู่สมุเฉีนิพพานนิพพานก็ขึ้นไปตามลําดับนะครับเพราะนั้นตอนแรกๆนี่เอาแตทา่ทำคันนิพพานแบบไม่ต้องไปเอาปรินิพพานนะนะั้นถ้าปรินิพพานเป็นสมุเฉียนนิพพานเอาไว้เรื่องทีหลังเป็นประสบการณ์เสริมตัวแต่ใ น, นส่วนที่เราประสบการณ์ที่เรามีอยู่ได้นี่คือ ตัดทางคณิพานเอาในตามตัดทางคณิพานช่วขณะนี้ก่อ น, นครับคือเราคิดก็ให้เรารู้เราไม่คิดก็ให้เรารู้เมื่อไหรความคิดนั้นสงบไปก็ให้รู้นิพานปรากฏแล้วความคิดปรากฏขึ้นใหม่การสังขารสังขารปรากฏขึ้นใหม่ให้เรารู้อ๋ออันนี้เหตุเกิดทุกข์เกิดแล้วเพราะฉะนั้นเหตุเกิดทุกข์จริงๆเนี่ยมาจากตัวสังขารตัวปรุงแต่งนั่นเองถ้าหากว่าคนเราไม่มีจิตใจสังขารไม่มีการปรุงแต่งปัญหาจะเกิดขึ้นได้ไหม ความอยากก่ามาตั้งถามเพราะว่าคำถามวิพากษ์วิจามาจากจิตที่ปรุงแต่งใช่ไหมครับถ้าจิตถ้าจิตของเราไม่ปรุงแต่งเลยคำหาเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะคำถามันเกิดจิตที่ปรุงแต่งเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งแล้วคำถามมันก็ดับเพราะนั่นจะทำให้ให้จิตไม่ปรุงแต่งให้เกิดเป็นวิสังสารก็ให้ตัวรู้อยู่เสมอให้กําหนดตัวรู้สึกตัวอยู่เสมอตัวรู้นี่เป็นสติจิตประกายขึ้นต่อไปสู่ตัวสมมติย์ทั่วพร้อมทั้งหมด เมื่อรูู้ทั่วพร้อมทั้งหมดมันก็เห็นตัวรู้อยู่ในตัวเมื่อตัวรู้อยู่ตัวหลงก็ไม่เข้ามาเมื่อตัวหลงไม่เข้ามาตัวตัณหาก็เกิดไม่ได้เนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะทำไงให้สติมันต่อเนื่องหลักของมันนะเพราะนั้นไอ้สาตจักรกาลินูคือการทําต่อเนื่องเป็นเรื่องสําคัญแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าสร้างจังหวะต่อเนื่องโดยจงกรมต่อต่อเนื่องแต่การกําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องในการอนุปัสสนาถึงหอย่างที่ได้กล่าวมา เรื่องลมหายใจก็คนจะรู้ไว้เรื่องอิเลียบทสีการแต่การเปลี่ยนแต่ละขั้มก็คนจะรู้ให้ชัดอิเลียบทย่อยภาพตาอ้าปากหายใจเร็วสายอะไรพวกเงยหยิบหยับจฉียวเฉียวคคนจะรู้ให้ชัดการท่าสีของเราการเคลื่อนไหวของเราได้ในเพราะท่าอะไรครับท่าลมใช่ไหมที่เรานั่งได้ในเพราะท่าอะไรท่าดินใช่ไหมครับที่ประสานทั้งทา่าดินท่าน้ําทํางานร่วมกันก็เป็นท่าไฟนะครับดินน้ําลมไฟทํางานอยู่ตลอดเวลาก็กำหนดรู้ไม่ใช่ตัวเรา เพราะฉะนั้นผมนำเสนอนมาเนี่มันหลายประเด็นมากแต่ไม่อยากจะให้สับสนอยากจะให้รู้ว่าสติที่กาหนดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นตัวตัดความไม่รู้ออกไปเพราะเหตุที่ให้เกิดทุกนั้นเริ่มต้นจากอะไรครับความไม่รู้สึกตัวที่เราเรียกว่าอาวิชชาใช่ไมครับ ในปฏิจสมุทต์อวิชชาคอยเกิดสังขารสังกอรเกิดวิญญาณวิญญาณก็ให้เกิดนามรูปนามรูปคอยเกิดอายตนะสลายตนะก็ให้เกิ ด, าาา ด, าก ด, กดภาษาภาษาเกิดเป็ไปจนถึงวรณ า, าโศกบริเทวะพอเรามากำหนดรู้อยู่ปัจจุบันตัวเดียวให้รู้สึกตัววิชาปรากฏอวิชาดับแค่นั้นเองวงจรของปฏิจจสมุทต์จะถูกทำลายลงทันทีเลยถ้าเรามารู้สึกตัวแต่เมื่อใดหลงลืมตัวปั๊บวงจรของปฏิจจสมุทต์ก็หมุนติ้วทันทีเหมือนกันครบรอบจบ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าเกิดตันหาแล้วก็เพราะฉะนั้นขอให้เจริญสตินี้ให้มากแล้วโดยสตินี้ที่มันถูกต้องต้องประกอบด้วยสมชัญญาสมาธิและปัญญา ด้วยนะครับในโดยสติที่เราพูดสติสตินั้นผมคิดต้องพ่วงคุณธรรมอีกสาตัวคือสมัมมาญาสสมาธิและปัญญาด้วยนะครับจเจริญสติที่จะเป็นสมาสติได้ดังนั้นในสิ่งเหล่านี้คิดว่ามันจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยชีวิตปรมจันทร์ของเราให้บริสุทธิ์เพราะคําส่วดธรรมชาติวัวนมันติดใจผมมากว่าทําให้ปรมจันท ร, ร์บริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาาัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะอัตถาคืออะไรครับ อัถะคือความเข้าใจที่เป็นตัวสาระตัวปัญญาที่เราจะเข้าใจในภาคปฏิบัติที่เป็นตัวปรมติในตัวพญันชนะคืออะไรตัวพญานจะคือรูปแบบ รูปแบบของของการปฏิบัติของเราในะรูปแบบของอตั้งแต่ศี227รูปแบบที่เป็นอาที่พมจรรย์ที่เป็นศีลทั้งหมดแล้วมาสู่ตัวพรหมจรรย์ที่ขั้นสูงที่เราปฏิบัติอยู่ที่วิปัสสนานั้นะตัวรูปแบบ การมีวินัยการมีร ะ, ะบบระเบียบการจัดการตัวเองก า, การดูแลรักษาตัวเองดีไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป ổi, ่วยก็เป็นผลมาจากเรื่องอาวัตใช่ไหมครับถ้าเราสั่งสมอาบาวตบ่อยๆมันก็เกิดความเครียดความเครียดก็เป็นต่อให้เกิดโรคไข้ไข้ขเจ็บเท่านั้นเองเทราะนั้นถ้าเป็นพระนี่ไม่ควรจะป่วยได้ซ้ําไปนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีเงืน ái, ินไขมีศีลถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์มันก็จะไม่ป่วยทีนี่จะทำยังไงให้ศีลบริสุทธิ์ก็ต้องมาดูตัวชําร่าจิตเมื่อจิตของเราไม่สมองร่างกาย ก็ไม่สมองเมื่อร่างกายไม่สมองมันก็ิมันก็ไม่เกิดโลคเพราะสมุทฐานของโลคทั้งหลายทั้งปวงมาจากใจใช่ไหมครับเมื่อใจมันเกิดเรียก ว, ว่าลูกลูกโรคนามโลกเมื่อก็เกิดนามโลกก็มัน ก, ก, ก, ก, ก่อให้เกิดรูปโลกลูกโลกก็ก่ให้เกิดความไม่สบายดังนั้นปัจจุบันนี้ผมดูว่าไอ้ไม่ไม่สบายปนะ่วยบ่อยๆเนี่ยมันมันกายไม่ปกติแล้วก็ผีสิงแล้วไม่ใช่ผดสิงไม่ใช่ว่าเป็นผีสข้ อ, น, น, อ, อนั้นข้อนี้ไอ้ผิดปกตินั่แหละ ผิดศีลทางกายกอกายผิดปกติผิศีลทางจิตก็จิตผิดปกตินั่นแหละเอาตัวจิตเป็นเป็นศีล น, น, นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราได้ทราบกันอีกเรื่องหนึ่งในสมัยขั้งพุทธกาลใช่ไหมมีพระกยมสองสองท่านไปฟังธรรมด้วยกันพระลุมนี่เคยไ ป, ไ ป, ไปบิณฑ บ, บาตยงบ้านโยมเป็นประจําทีนี้ตัวเองก็ยังไม่บรรลุมรรคผล น, นิพพานก็เลยจะชวนจะเอาอะไรมาตอบสนองกับยมเพื่อชวนโยมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยพระก็คิดอีกอย่างหนึ่งโยมก็คิดอีกอย่างหนึ่งพระคิดว่าอูสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงวันนี้ละเอียดประณีตเหกินอาการที่เราจะอยู่วัดบ้านเนี่ยคงไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอยู่ป่าก็แบกบปวดแบกบาดไปป่าใช่ไหมครับก็ไปบําเพ็ญแบบไหนไม่ทราบนะก็ปรากฏ ว, ว่าคือไม่มีกิริยามิตรไม่มีผู้สอบบรมในถึง3ปีพอปีที่3ที่มั่นใจว่าตัวเองได้ได้ธรรมบานเนี่ย ก็มีนก like. เนี่ยรองเชื่ยวชาญแบบนี้กัแบท่านก็ไปนั่งอใต้ต้นไม้ลรมันกินผลไม้จิกตรงนั้นมันก็ตกเสยหัวท่านพอตกเสยหัวท่านปอกนั้นต้นเหลียวดูนกนกตัวนั้นพอท่านเหลียวดูปอกก็กลัวว่านกตัวนั้นลุกเป็นไฟหรือกรไหมตกลงมาดําปีเลยท่านก็มั่นใจโอโหชาญนะจีเข้มแข็งละท่านก็สําคัญว่าตัวนั้นเป็นมรคน ท่านก็เลยมั่นใจก็เลยออกจากปา่าแบกกลดออกปา่าจากปา่าที่มอมาถึงวัดก็นึกถึงโยมคนนั้น โ, โยมคนนั้นไปฟังธรรมด้วยกันเมื่อสาปีก่อนนะโยมคนนั้นจะรู้เหมืนอนเราไหมเนาะก็เตรียงบาตแ์จเช้าก็จะไปไปถามโยมไปมิถ้า บ, บาตรด้วยโยมคนนั้นหลังจากฟังธรรมาจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าสติปัญสีเรียปฏิบัติอย่างไรก็ได้ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัย ให้เข้าใจปฏิบัติเท่านั้นโยมก็เอาไปปฏิบัติทันทีเลยนะจะยิบจะจับจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินประกอบการงานในดๆรู้สึกตลอดปรากฏวความต่อเนื่องของสติของโยมเนี่ยต่อเนื่องกับเป็นเป็นลูกโซ่ครับเพราะความเนื่อมใสในพระเจ้าทำก็ทำจริงมากการเก็บผักขักฟืนการทําครัวการซักผ้าการเดินไปเดินมาจับสติตลอดป ร, ป ร, ปรยากฏว่าโยมเรานี้ภูมิธรรมขึ้นสูงฟึงเป็นอาณาคารมีนะครับทีนี้พอ พระองคนั้นไปบิณฑบาตโ ย, ยมมูนั้นไปเห็นพระเดินไปไกลไกลวันนี้คุณจะต้องถามท่านว่าไปอ่างกันไปทีสามปีได้เลยพระก็ตั้งใจว่าจะสอบอารมณ์โยงกันต่างคนต่างที่จะสอบอารมณ์กันนะครับก็ได้ฟังทำร่วยกันปฏิบัติเวลาเท่ากันพอหลังจากไปยืนหน้าบ้านขอโทษนึงโยมปั๊บเนี่ยโยมก็แทนที่จะกุลิกุจอเอาเข้าไม่ใส่บาทเนี่ครับก็ทำเป็นทำอย่างอื่นไปทําเป็นไม่เห็น พาุนี้นาทีก็แล้วสองนาทีก็แล้วสามนาทีก็แล้วชักแตะกิ้ตะกี้ขึ้นมาในใจตามปกติเวลาไปยืนหน้าบ้านปั๊บโยมก็เตรียมของมาใส่บาตรแต่วันนี้ทำไมโยมเฉยเลยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นคิดในใจก็เรื่องด่ายอมไปเรื่อยๆนี่โยมคนนี้เป็นยังไงโงมันวิจารณไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอารมณ์ข้างในมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นหน้าบูดออกบูดออกบูดออกถึงสินาทียมก็ถือขันเข้าออกมาพอาใส่บาตรเสร็จก็ถามว่าท่าน ไปไหนมาไปอยู่ที่ไหนเป็นไงตามปฏิบัติสบายดีไหมาถามตั้งหลายคําแต่พระไม่ตอบเลยครับเพราะอะไรเพราะอารมณ์นี่มันอัดแน่นอยู่ในใจพูดอะไรไม่ออกแล้วหายใจแล้วหลายๆครั้งก็มันไม่ไม่หลงครับความโกรธที่อัดแน่นอย่น ใ, นในใจในที่สุดโยมก็บอกว่าเสียดายนะท่าน รู้ไหมว่าท่านมาอยู่อยู่ที่สนาทีเนี่ยท่านด่าโยมแบบนีใช่ไหมท่านคิดว่าโยมบอกตามที่ท่านคิดทั้งหมดเลยตอนแรกท่านคิดอย่างนี้ใช่ไหมตอนสองนาทีตอนนั้นท่านคิดอย่างนี้อ่านใจของท่านออกหมดเลยนะพระก็ตกใจเอ๊ะโยมรู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรถูกต้องหมดเลยตามที่โยมนั้นบอกมาว่าตอนนั้นไหวอย่างนั้นตอนนี้ไหวอย่างนี้ในที่สุดโยมบอกว่าท่าน การปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทําได้ทุกเรียบหได้ทุกที่แต่ท่านไปทําสมถะอยู่ในปา่าคนเดียวไปทําสมถะไปกระโดดลมหายใจมันก็เกิดฌานในจิตขึ้นมาท่านเป็นเพียงได้ฌานจะิตเท่นั้นจิตของท่านยังไม่ไปไหนเลยแม้แต่มาอยู่ที่นี่ท่านความโกรธท่านยังละไม่ได้ความโกรธซึ่งเป็นกิเลสอย่างยาบท่านเพก็ยังละไม่ได้เลยนะแล้วยังอื่นท่านจะละอะไรได้ในที่สุดโยมก็บอกกรรมาฐานพาระปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะผมนึกถึงเรื่องตรงนี้นะปัจจุบันเป็นอย่างนั้น โยมเริ่มสอนกรรมาฐานพระแล้วโยมก็เริ่มช่วยกันออกไปเรื่อยๆพระกับไปเรียนกรรมาฐานกับโยมมาทุกวันเนี่ยผมเราก็เศร้าใจจริงๆเพราะอะไรพ่อพระเราเขาบวชเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเราไปสวยสูๆกับไอ้สถานองโยมนะครับ ค่าบ้านไม่ต้องเช่าค่าไม่ต้องซื้อแล้วมีอะไรบริการทุกอย่างมีตู้เย็นมีพัดลมมีโทรศัพท์มีรถมีอะไรทุกอย่างโยมประเคนให้หมดครับเราเลยประม่าครับพอประมาาแล้วเราก็เลยไปติดสุขติดสบายแล้วพระเราเปิดกรรมฐ า, านได้อ่อนดังนั้นเองอันนี้เราไม่ใช่ว่าพวกเดียวกันผมก็เคยเป็นมาอย่างนั้ น, นครับผมก็เคยเป็นมาอย่างนั้นดังนั้นเองพระคุณเจ้านะครับผมขอ เอาร้องให้เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดท่านไม่จะเป็นต้องเชื่อหรอกครับเอาไปพิสูจน์ดูมันจริงไหมแต่ว่าผมเอาประสบการณ์จริงมาพูดให้ฟังเท่านั้นเองเผื่อว่านะเผื่อว่าเราจะทันการเวลาเพราะเดี๋ยวนี้นั้นญาติยโยมอย่างหมอเข้ามาพูดเมื่อวานเนะี่ย ครับละเอียดทีทวนนะแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเขาเป็นอนาคามีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ญาติโยมเขาแข่งกันในเรื่องมรรคผลนะครับเรื่องมรรคเรื่องผลแต่พระต้องเราก็แข่งเรื่องอะไรเขาเรื่องสร้างเรื่องการศึกษาทำปริยตรีโทเอกใช่ไหมครับมันเรื่องสนทางกันนะครับเรื่องของพระโดยตรงที่เราจะทําเรากลับไม่ทําแต่เรากลับไปทําเรื่องของโยมแต่เรื่องของโยมที่เขาทํามาจนเบื่อแล้วเขากลับมาทําเรื่องของพระ นะครับเราแข่งกันทำพิรีตทวเองผมผมเรารู้สึกว่าความหวังของพระเราน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยเราถูกโจมตีเราถูกเบียดเบีย น, ยนเราถูกทำลายทุกรูปแบบนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้เป็นปการต่อสูก้การแข่งขันเพราะนั้นผมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมพุทธศาสนาจึงหายจากอินเดียเพราะเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราก็คล้ายกับอินเดียนในสมัยนั้นที่กองทัพอิสลามเข้าไปบุกเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นผมฝากให้ทุกคุณเจ้าคิดเรื่องเหล่านี้ว่าเราจะเอาอย่างไรดีครับจ ะ, จะเจริญสติดีหรือว่าจะเอาแบบทางที่เราเคยเป็นมาดีเลือกเอานะครับไม่จำเป็นต้องตามใคร เพราะเรามีสติปัญญาของเราเองอไหนที่ว่ามันเป็นชีวิตของเราเนี่ยชีวิตเราไม่ถึงร้อยปีครับเราจะต้องตายเมื่อตายไปแล้วกิเลสยังไม่หมดนะครับเราจะต้องไปใช้นี่วิบากกรรมสั ก, กิมื่ี่แสนชาติครับมันน่าน่ากลัวจริงๆนะครับโดยเฉพาะเราเป็นพระด้ยซ้าไปเราเป็นนี่แย่งยมขนาดไหนนะครับเราบริโภคนี่อยู่เนี่ยมากมายขนาดไหนถ้าจิตของเราไม่ไปสัมผัสมรรสสัมผัสผลเนี่ยเราจะเอาอะไรไปใช้นี่เขาแล้วเราจะไปเกิด แล้วเกิดอีกอีกที่พบอี ก, กชาติทึงจะมาพบพระศาสนาอีกนะครับน่าเป็นห่วงตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้ผมก็ขออนุโมทนาและสิ่งใดที่ผมได้พูดได้กล่าวไปมันผิดพลาดไม่ถูกต้องก็ขออโหสิ่วด้วยเพราะยังให้เป็นบาปเป็นกรรมแก่กันและกันก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ผมนําเสนอมาทั้งหมดไปพิพจารณาถ้าเห็นว่า เข้าออก่อนได้ก็ลองๆพิสูจน์ดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกจรินิสัยก็ไม่จะเป็นต้องเอานะครับสิ่งนี้บังคับแต่ไม่ได้ก็ขอให้ <c oughs> มีจิตเป็นสมาธิฏฐิสามารถารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นตั้งแต่วัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านถอ